บรรดาคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับชีวิตโยคีวันนี้มาถึงตอนที่15แล้วจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีของท่านปรมหังษายโยคานันทะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโยคีที่เขียนโดยโยคีแล้วก็เขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้ขายดีขายดียดและก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งแห่งศตวรรษค่ะ น่าอ่านมากเพราะว่าผู้เขียนคือท่านประมาะหังสายโยคานันทาท่านเขียนจากประวัติของท่านเองจากประสบการณ์การค้นหาการสแสวงหาทางจิตวิญญาณตั้งแต่ท่านยังเด็กๆ เ, เป็นวัยรุ่นแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะเรียกว่าเส้นทางการเป็นโยคีผู้ยิ่งใหญ่ท่านเขียนเล่าแบบสนุกสนานแล้วก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาของชาวอินเดียโบราณ ภูมิปัญญาของทางฮินดูที่มีการอธิบายในแง่มุมของวิทยาศาสตร์เพราะว่าท่านปรมาหังสายยคานันทะท่านเป็นโยคีที่ที่ผ่านการศึกษาทางโลกนะคะคือพูดง่ายๆว่าท่านเป็นโยคีร่วมสมัยท่านเรียนจบปริญญาตรีนะคะท่านพูดภาษาต่างประเทศผู้ภาษาอังกฤษเนี่ยพูดเขียนได้อย่างดีมากเลยทีเดียวละค่ะ เพราะฉะนั้นท่านก็จะมีความเข้าอกเข้าใจมุมมองทัศนคติของชาวตะวันตกพอสมควรหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่เป็นที่นิยมในบรรดาชาวตะวันตกที่สนใจศาสตร์ทางตะวันออกวันนี้มาฟังตอนที่15นะคะกับตอนที่ชื่อว่าการเอาชนะลิขิตจากดวงดาว ซึ่งเป็นตอนที่ได้มีการอธิบายความหมายของโหราศาสตร์เอาไว้ทั้งในแง่มุมที่เป็นภูมิปัญญาโบราณแล้วก็ในแง่มุมที่เป็นคำอธิบายทางหลักวิทยาศาสตร์คือถ้าเกิดสามารถเข้าถึงแล้วเนี่ยอธิบายได้หมดคนไทยก็มีความเชื่อในเรื่องของโหราศาสตร์ในเรื่องของดวงดาวนะคะท่านจะอธิบายความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างดวงดาวกับชีวิตของคนอย่างไร การให้คุณให้โทษตรงนี้มันเกี่ยวกันตรงไหนถ้าสนใจเชิญฟังได้เลยกับตอนที่15ชีวิตโยคีค่ะ วันหนึ่งท่านอาจารย์ก็ถามว่ามุกุลทะทำไมถึงไม่หากำไรเครื่องรางเอามาใส่ที่ต้นแขนไว้ล่ะต้องใส่ด้วยหรือครับอาจารย์กระผมไม่เชื่อเรื่องโหราศาสตร์สักหน่อยเชื่อหรือไม่เชื่อนั่นไม่ใช่ประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดสิ่งที่เธอควรตั้งคำถามตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือมันเป็นความจริงหรือไม่กฎของแรงโน้มถ่วงทางานอย่างเต็มประสิทธิภาพมาตั้งแต่ก่อนนิวตันเกิด และยังคงทําต่อไปแม้หลังนิวตันตายไปแล้วทากลองของธรรมชาติต้องทำงานโดยขึ้นอยู่กับความเชื่อของมนุษย์แล้วแล้วก็จักรวาลของเราคงจะปั่นป่วนอนละเวงพิลึกศาสตร์แห่งดวงดาวที่มีมาแต่โบ ร, โบราณต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะพวกหมอดูกรร ม, มหล่อแท้ โคราศาสตร์มีขอบขายที่กว้างขวางทั้งในแง่ของการคิดคำนวณเลขผานาทีและในแง่ของหลักปรัชญาจึงไม่ใช่าศาสตร์ที่คนทั่วไปจะรู้แจ้งแทงตลอดได้อย่างถูกต้องเว้นแต่ผู้ที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเท่านั้นถ้าจะมีคนเขาเบาปัญญาอ่านสารที่เบื้องบนสื่อลงมาผิดไปมองเห็นคำพีเป็นแค่ตัวหนังสือยึกยือ ก็ถือเป็นธรรมดาของโลกอันไม่สมบูรณ์แบบใบนี้เพราะฉะนั้นพึงอย่าใช้ความอวดปรู้มาบอกปัดสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาและท่านก็อธิบายว่าสรรพสิ่งทั้งหลายที่พระเป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นล้วนเชื่อมโยงถึงกันและส่งอิทธิพลต่อกันทวงทานองที่สอดป ร, รับกันของจักรวาล จึงมีรากฐานมาจากการพึ่งพิงอิงอาศัยกันในฐานะมนุษย์เราจะต้องต่อสู้กับพลังสองอย่างอย่างแรกคือความวุ่นวายสับสนของจิตภายในตัวเราซึ่งเกิดจากการผสมปนเปของธาตุดินน้ำลมไฟและอากาศสาธาติอย่างหลังคือต้องต่อสู้กับพลังของธรรมชาติที่คอยกัดกร่อนอยู่ภายนอก รับใดที่มนุษย์ยังต้องดิ้นรนต่อสู้กับความไม่เป็นอมตะของตนเขาก็ต้องได้รับผลกระทบจากนานาสารพันความเปลี่ยนแปลงของสวรรค์และพื้นพิภพอยู่ต่อไปโหราศาสตร์เป็นการศึกษาว่ามนุษย์มีการตอบสนองต่อดวงดาวในฐานะที่เป็นสิ่งเร้าอย่างไรบ้างดวงดาวไม่มีความรู้สึกเป็นมิตรหรือเป็นปฏิปักษ์กับใคร ดวงดาวเพียงแค่แผ่คลื่นรังสีที่เป็นพลังบวกและพลังลบออกมาดวงดาวให้คุณให้โทษกับมนุษย์ไม่ได้แต่ดวงดาวเป็นเพียงช่องทางตามคลองธรรมชาติให้กฎแห่งกรรมที่มนุษย์แต่และรูปแต่และนามเคยทำไว้มาในอดีตได้ทำงานไปตามฟันเฟืองของมันท่านอาจารย์ศรียุคเตสวนบอกว่าเด็กคนหนึ่ง เกิดในวันและเวลาที่รังสีจากดวงดาวสอดรับกับกรรมของตนอย่างสอดคล้องกลมกลืนจะมีแผนภูมิการผูกดวงที่ท้าทายแสดงให้เห็นถึงอดีต ท, ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้และผลที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแต่ผู้ที่จะตีความแผนภูมิดวงชะตาดังกล่าวให้ถูกต้องได้ก็ต้องมีปัญญายาณกำกับและคนเช่นที่ว่านี้ก็มีอยู่น้อยกว่าน้อย ข้อความที่ลงตราประทับอวัอยยงเด่นชัดบนผืนฟ้าในวินาทีที่เราถือกำเนิดมาไม่ได้มีไว้เพื่อกำหนดโชคชะตาอันเป็นผลมาจากบาปบุญในอดีตชาติของคนคนนั้นแต่มีไว้เพื่อกระตุ้นให้มนุษย์เราเกิดความมุ่งมั่นในการที่จะดิ้นรนให้พ้นจากการตกเป็นทาสภายใต้อิทธิพลของจั ก, กรวาลสิ่งใดที่เขากระทาลงไปแล้ว เขาย่อมสามารถแก้ไขได้ก็ตัวเขาเองนั่นแหละที่เป็นผู้ก่อเหตุแห่งผลที่ตนกํำลังได้รับอยู่ในปัจจุบันนาชาติเขาก็ชอบที่จะเอาชนะข้อจำกัดทุกสิ่งอันได้เพราะเขาเป็นผู้ก่อผลขึ้นมาจากการกระทำของตนตั้งแต่ต้นประกอบกับตัวเขาเองก็มีขุมพลังแห่งจิตวิญญาณอันไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจอิทธิพลของดวงดาวใดๆ ความเชื่อเรื่องดวงชะตาอย่างงมงายทำให้มนุษย์กลายเป็นหุ่นยนต์ที่ไร้ความคิดต้องพึ่งพาการชี้นำจากโหราศาสตร์ราวกับเป็นทาตก็ไม่ปานผู้มีปัญญาย่อมเอาชนะดวงดาวหรืออดีตได้ด้วยการถ่ายเทความสวามิภักด์ที่มีต่อวัตถุธาตุซึ่งพระเป็นเจ้าทรงรังสรรค์ขึ้นไปไว้ที่พระผู้สร้างหญิงเขาตรหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์มากขึ้นเท่าใด วัตถุธาตุก็ยิ่งครอบงำเขาได้น้อยลงเท่านั้นวิญญาณย่อมเป็นอิสระอยู่ชั่วการเมื่อไม่มีการเกิดก็ย่อมไม่มีการแตกดับใช่ว่าจะอยู่ภายใต้อานัตของดวงดาวหรือกเปล่าาาอจรย์ขับ น, น, น ทำไมท่านจึงประสงค์ให้กระผมต้องใส่กำไรเครื่องรางด้วยล่ะขอรับมูกุนท้าทำใจกล้าย้อนถามท่านคนเดินทางนั้นถ้ายัางไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางก็ไม่ควรจะทิ้งแผนที่ในมือเพราะว่าแผนที่มีเส้นทางลัดที่สะดวกรวดเร็วให้เขาเลือกใช้ได้ตามใจชอบ บรรดาพระมุนีในสมัยโบราณได้ค้นพบหนทางที่จะช่วยลดทอนระยะเวลาที่มนุษย์ต้องเวียนว่ายอยู่ในห่วงแห่งมายาหลายหนทางด้วยกันกฎแห่งกรรมนั้นมีรูปแบบกลไกที่เฉพาะบางประการสิ่งเราอาจใช้ปัญญาเข้าไปแก้ไขจัดการได้อย่างแยบคายโรคภัยของมนุษย์ทั้งหลาย เกิดจากการละเมิดกฎของจักรวาลพระคำภีก็ชี้ให้เห็นอยู่แล้วว่ามนุษย์จะต้องกระทําตามกฎธรรมชาติและในขณะเดียวกันก็ต้องหมายทาให้พระรานุภาพแห่งพระเป็นเจ้าต้องเสื่อมเสียที่เขาควรจะกล่าวก็คือเขาควรจะเชื่อมั่นศรัทธาในพระองค์ตรหนักว่าพระองค์ สามารถช่วยเหลือเขาได้แต่เขาจะพยายามแก้ไขความผิดพลาดที่ได้กระทําให้สุดความสามารถของตัวเองซะก่อนด้วยวิธีการต่างๆนานาด้วยการสวดภาวนาด้วยอํานาจแห่งความมุ่งมั่นด้วยการปฏิบัติสมาธิตามโยคะวิธีด้วยการปรึกษาท่านผู้บรรลุธรรมหรือด้วยการใส่กําไรเครื่องรางเราก็ ย่อมสามารถลดทอนผลกรรมแต่ปางก่อนหรือแม้กระทั่งทำให้ผลแห่งกรรมนั้นหมดไปได้มันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราติดสายหล่อฟ้าไว้ที่บ้านเพื่อป้องกันฟ้าผานั่นแหละเราย่อมใช้วิธีการบางอย่างป้องกันรักษาร่างกายที่เปรียบประดุดเทวไลนี้เอาไว้ได้เช่นกันในจักรวาลของเรา มีคลื่นรังสีไฟฟ้าและคลื่นรังสีแม่เหล็กไหลเวียนอยู่อย่างต่อเนื่องรังสีเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายของมนุษย์ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบในอดีตพู้รื้าษีมุนีของเราได้คิดหาหนทางรับมือกับผลกระทบจากอิทธิพลอันลี้ลับซับซ้อนของจักรวาลและพวกท่านก็ค้นพบว่าโลหะบริสุทธิ์สามารถแผ่รังสีทิพย์ออกมา ต้านพลังในด้านลบของดวงดาวได้อย่างเป็นผลต้นไม้หลายชนิดรวมกันก็สามารถนํามาใช้เพื่อการนี้ได้แต่ถ้าจะให้ได้ผลดีที่สุดต้องใช้อัญมณีที่ไร้ตําหนิน้ําหนักไม่ต่ํากว่าสองกรัตทันศียุคเตสวนบอกว่าการนําหลักโหราศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการป้องกันตัวนี้นอกจากอินเดียแล้ว ชาติอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่มีการศึกษาศาสตร์ขแขนงนี้อย่างจริงจังเลยและนอกจากนั้นอัญมณีบางอย่างโลหะบางชนิดและพืชบางประเภทแม้ว่าจะผ่านการตระเตรียมอย่างถูกต้องแล้วแต่ถ้าน้ำหนักไม่ถึงไม่ตรงตามเกณฑ์หรือว่าคนใช้ไม่ได้สวมใส่ให้สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงก็จะไม่มีประสิทธิภาพคือก็จะไม่ได้ผล มูกุนทาก็เลยบอกว่าอาจารย์ขอรับกระผมจะทำตามคำแนะนำของท่านหากำไรต้นแขนมาใส่กระผมชอบความคิดที่จะเอาชนะอิทธิพลของดวงดาวนี้จริงๆท่านสียุคเตสวนก็เลยบอกว่าถ้าเป็นการป้องกันทั่วๆไปครูแนะนำให้ใช้กำไรที่ทำจากทองเงินและทองแดงแต่ในกรณีเฉพาะเจาะจงครูว่า เธอหากําไรเงินกับตะกัวมาใช้จะดีกว่าอาจารย์ขอรับกรณีเฉพาะเจาะจงที่อาจารย์ว่านี่หมายความว่าอย่างไรหรือขอรับดวงดาวกำลังจะทํามุมไม่เป็นมิตรกับเธอมุกุลทะแต่อย่ากลัวไปเลยเธอจะได้รับการปกป้องแน่อีกราวหนึ่งเดือนข้างหน้าตับเธอจะมีปัญหาอย่างหนักความจริงครั้งนี้เธอมีกาหนด ว่าจะต้องล้มป่วยนาน6เดือนเต็มแต่กำไรเครื่องรางที่เธอสวมติดตัวจะช่วยทอนเวลาให้สั้นลงเหลือแค่24วันวันรุ่งขึ้นมูกุนทะก็ไปพบช่างอนัมนมณีแล้วก็ได้กำไรมาสวมในอีกไม่กี่วันต่อมาสุขภาพของเขาสมบูรณ์แข็งแรง จนกระทั่งลืมคําทํานายของอาจารย์ไปอย่างรวดเร็วแต่แล้วอาจารย์ก็มีเหตุให้ต้องไปพารณสีคือท่านต้องไปเมืองพารณสี30วันหลังจากที่ได้สนทนากับมุกุลทะในเรื่องนี้ในช่วงเวลานั้นค่ะมุกุลทารู้สึกปวดท้องบริเวณตับขึ้นมาอย่างกะทันหัน หลายสัปดาห์ที่ตามมาจากนั้นคือความเจ็บปวดทรมานที่เป็นดั่งฝันร้ายอาจารย์ก็ไม่อยู่มูกุญท้าก็ไม่อยากจะรบกวนท่านก็พยายามที่จะแบกรับความทุกข์ทรมานนี้โดยลำพังตัวเองก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ความทรมานตลอด23วันมันค่อนข้างจะหนักหนาสาหัส ในที่สุดก็ไม่ไหวเขาก็ขึ้นรถไฟไปพราราณสีไปหาอาจารย์อาจารย์ก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นแต่ท่านก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาได้บอกเล่าความทุกข์ของตนให้ท่านฟังเป็นการส่วนตัววันนั้นมีลูกศิษย์มากราบคารวะท่านมากมายมูกุนทาก็ซุดตัวลงนั่งแอบอยู่มุมห้องรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งทั้งๆ้งที่ไม่สบาย กว่าที่แขกเรือจะกลับไปกันหมดก็เลยเวลาอาหารค่ำไปแล้วอาจารย์ก็เรียกมุกุลทะเข้าไปหาที่ระเบียงทรงแปดเหลี่ยมของตัวบ้านแล้วก็ถามว่าเธอต้องมาเพราะปัญหาที่ตับเป็นแน่ไหนดูทีหรือเธอไม่สบายมา24วันแล้วใช่ไหมใช่ขอรับ ในลองบริหารท้องตามวิธีที่ครูเคยสอนเอาไว้สักหน่อยสิอาจารย์ขอรับถ้าอาจารย์รู้ว่ากระผมปวดแค่ไหนแล้วก็อาจารย์ต้องไม่บอกให้กระผมบริหารท้องแน่แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังพยายามทาตามคาของท่านอย่างอ่อนเปรียเต็มที่เธอบอกว่าเธอปวดครูบอกว่าเธอไม่ปวดเรามาขัดแย้งกันอย่างนี้ได้อย่างไรน้าอาจารย์ มองข้าพเจ้าเหมือนกังขาเต็มแก่ข้าพเจ้าติดจะงงงงแต่แล้วก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดที่คอยรุมเร้าจนแทบจะขมตาหลับลงไม่ได้ในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอีกต่อไปอาจารย์บอกมายังไม่ทันจะขาดคำความทุกข์ทรมานของข้าพเจ้าก็อันตรธานหายไปราวกับไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกระนั้นข้าพเจ้าตั้งท่าจะคุกเข่าที่ปลายเท้าของท่าน ด้วยหมายจะขอบพระคุณแต่อาจารย์ก็ห้ามเอาไว้ทันควันอย่าทำเป็นเด็กๆใบหน่อยเลยลุกขึ้นมาชมความงามของดวงจังเนเนื้อสายน้ำพระคงคากันดีกว่าดวงตาของอาจารย์เป็นประกายด้วยความสุขขณะที่ข้าพเจ้ายืนเคียงข้างท่านอยู่ในท่ามกลางความเงียบข้าพเจ้าเข้าใจเจตนาของท่านดีว่า ท่านประสงค์ที่จะให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าผู้รักษาข้าพเจ้าคือพระเป็นเจ้าหาใช่ตัวท่านเองไหมกระทั่งเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าก็ยังสวมกำไลต้นแขนที่ทำจากเงินและตะกัวอยู่เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้รำลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น แม้จะผ่านมานานแต่ข้าพเจ้าก็ยังถนอมรักษาไว้ไม่มีวันลืมเลือนนับเป็นอีกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ประจักษ์แน่ใจว่าบุคคลที่ตนได้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเป็นคนเหนือคนโดยแท้มุกุณท้าบอกว่าตัวเขานั้น มีอคติกับวิชาโหราศาสตร์มาตั้งแต่ยังเด็กส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาได้เห็นผู้คนมากมายที่หลงงมงายอยู่กับโหราศาสตร์อย่างไม่ลืมหูลืมตากับอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะคำทำนายที่หมอดูประจําครอบครัวเคยบอกเอาไว้ว่าเธอจะแต่งงานสามครั้งตกภ่มใไม้สองครั้งเรื่องนี้ทำให้เขากังวลอยู่ นานเลยทีเดียวรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแพะรอให้คนมาฉุดลากใบบูชายันอย่างหน้าเทวาลาแห่งวิวาหาการซ้ำซ้อนถึงสามรอบพี่ชายก็บอกว่ายอมรับชะตากรรมเสียเธอหนาแผ่นผูกดวงของเธอระบุว่าเธอจะหนีออกจากบ้านไปฮิมาลัยตอนเด็กแต่จะถูกลากตัวกลับมาแล้วไง มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคำทํานายเรื่องการแต่งงานมันก็ต้องเป็นจริงตามนั้นเหมือนกันแต่มีอยู่คืนหนึ่งมุกุลทะเกิดยานอย่างรู้ขึ้นมาได้เองว่าคำพยากรณ์ น, นั้นเป็นเรื่องเลวไห ล, หลทั้งเพบเขานำม้วนกระดาษที่บันทึกดวงชะตาของตนมาเผาทิ้งแล้วเอาขี้เท้าใส่ถุงกระดาษหาปากกามาเขียนไว้บนถุงนั้นว่า มเมล็ดพันธุ์แห่งกบในอดีตย่อมไม่สามารถงอกงามขึ้นมาได้หากเราใช้ไฟแห่งทิพยะปัญญาเผามันมแล้วเขาก็เอาถุงนั้นไปวางไว้ในที่อันเห็นได้เด่นชัดพี่ชายอ่านข้อความก็บอกว่า<ม>เธอจะกำจัดความจริงทิ้งไปง่ายๆเหมือนการเผาม้วนกระดาษนี้ไม่ได้หรอกนะแล้วมันก็เป็นความจริง ที่ก่อนหน้าซึ่งเขาจะโตเป็นหนุ่มครอบครัวเคยพยายามจัดการมั่นหมายให้เขาถึงสามครั้งแต่ละครั้งเขาไม่เคยสมยอมด้วยเลยเพราะรู้ดีว่าความรักพักดีที่มีต่อพระเป็นเจ้านั้นมากล้นเกินกว่าคำทำนายของหมอดูหน้าไหนในอดีตจะมาทำให้แปลเปลี่ยนกลับกลายได้ ยิ่งบุคคลตระหนักรู้ในวิญญาณแห่งตนลึกซึ้งเพียงใดอิทธิพลที่เขามีต่อจั ก, กรวาลผ่านทางกระแสจิตอันละเอียดอ่อนก็จะยิ่งทวีขึ้นมากเพียงนั้นและในขณะเดียวกันกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกก็ส่งผลกระทบต่อเขาได้น้อยลงไปด้วยคำพูดเหล่านี้ของอาจารย์มักย้อนกลับมาเป็นแรงใจให้กับข้าพเจ้าอยู่บ่อยครั้ง กลับมาฟังกันต่อ น, นะคะกับตอนที่15ชีวิตโยคีจากหนังสืออตัตชีวประวัติของโยคีโดยท่านปรมาหังสายโยคานันทะบทนี้ได้พูดถึงความเชื่อความจริงในเรื่องของโหราศาสตร์ท่านโยคานันทะก็บอกว่าบางครั้งท่านเคยทดลองให้หมอดูระบุช่วงเวลาที่ท่านดวงตกที่สุดจากการโคจรของดวงดาวแต่ถึงกระนั้น ท่านก็ยังคงทำงานที่ตั้งใจไว้สำเร็จอยู่ดีแม้จะเป็นความจริงว่าในช่วงเวลาเหล่านั้นมักจะมีอุปสรรคอันยากนำหน้ามาก่อนแต่ความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าก็ได้รับการพิสูจน์ว่าถูกต้องทุกครั้งไปนั่นคือศรัทธายอมได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเบื้องบนและความมุ่งมั่นที่พระเป็นเจ้าประทานไว้ให้กับมนุษย์ถ้าถ้ารู้จักนาไปใช้ในทางที่ถูก ก็จะส่งพลังยิ่งกว่าอิทธิพลของดวงดาวบนฟ้าฟ้าด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้เข้าใจว่าลิขิตแห่งดวงดาวในยามตกฟ้าของคนเรามีได้หมายความว่าเราจะต้องตกเป็นหุ่นให้อดีตชักเชิดได้ตามใจชอบแต่ลิขิตนั้นน่าจะมีไว้เพื่อปลูกเร้าศักดิ์ศรีของเรามากกว่าเพราะเบื้องบนต้องหาทางกระตุ้นให้มนุษย์มุ่งมั่น ที่จะปลดปล่อยตนเองให้เป็นอิสระจากข้อจํากัดทั้งมวลอยู่แล้วพราะเป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์แต่ละรูปแต่ละนามให้เป็นวิญญาณและประทานความเป็นปัจเจกให้มนุษย์จึงเป็นองค์ประกอบที่จะขาดเสียไม่ได้ในโครงสร้างของจักรวาลไม่ว่าบทบาทเพียงชั่วครู่ชั่วยามของเขาจะเป็นบทของเสาหลักหรือบทของกาฝากก็ตามอิสระของเขาจะเป็นที่สุด และมีผลในทันทีถ้าเขาประสงค์เช่นนั้นแต่เขาต้องได้มาซึ่งชัยชนะจากภายในก่อนหาใช่ชัยชนะจากภายนอกใดๆไม่ท่านครุษียุคเตสวรอยังได้คำนวณวัฏจักรของโลกในยุคปัจจุบันโดยบอกว่า วัฏจักรของโลกเราในยุคปัจจุบันมีอายุ 24,000 ปีซึ่งเรื่องนี้นะคะมีอธิบายในภาคแรกของหนังสือที่ชื่อว่า t h e h o r i s c i e n c e ของท่านสียุคเตสวนตีพิมพ์โดย Self Realization Fellowship ท่านได้แบ่งออกเป็นมหายุคของฝ่ายเจริญและฝ่ายเสื่อมฝ่ายละ 12,000 ปีเท่าๆกันค่ะ แต่ละมหายุคจะแบ่งออกเป็นสี่ยุคย่อยเรียกว่ากาลียุคทวาประยุคเตระตายุคและสัตยยุคเทียบได้กับยุคเหล็กยุคสมริตยุคเงินและยุคทองของชาวกรีกค่ะลองฟังดูนะคะน่าสนใจดีเหมือนกันค่ะคือท่านสี่ยุคเตสวนกำหนดด้วยการคำนวณจากหลายๆวิธี วัยุคล่าสุดของฝ่ายเจริญอันหมายถึงกะลียุคหรือยุคเหล็กเริ่มต้นในราวคริสต์ศักราช500ถือเป็นยุคแห่งวัตุนิยมซึ่งจะกินเวลานานถึง 1,200 ปีและจะสิ้นสุดลงในราวคริสต์ศักราช 1,700 จากนั้นก็จะเริ่มเข้าสู่ช่วงทวาระยุคซึ่งจะมีอายุประมาณ 2,400 ปี ยุคนี้จะมีพัฒนาการทางด้านพลังงานไฟฟ้าพลังงานปรมาณูโทรเลขวิทยุเครื่องบินและสงครามอาวกาศก็น่าจะหมายถึงยุคปัจจุบันของเรานี่ล่ละค่ะจากนั้นก็จะเป็นเตราตายุคมีอายุ 3,600 ปีเริ่มตั้งแต่คริสต์ศักราช 4,100 ยุคนี้เป็นยุคแห่งการสื่อสารกันทางโทรจิตค่ะ แล้วก็จะมีการใช้เครื่องทำลายกาลเวลาส่วนสัตยายุคมีเวลายาวนาน 4,800 ปีถือเป็นยุคสุดท้ายของมหายุคฝ่ายเจริญปัญญาของมนุษย์จะได้รับการพัฒนาไปสู่ระดับสูงส่งผลให้สามารถประกอบกิจต่างๆได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับพระประสงค์แห่งพระเป็นเจ้า ส่วนมหายุคฝ่ายเสื่อมมีอายุ 12,000 ปีเริ่มจากยุคทองที่เสื่อมลงอย่างต่อเนื่องตลอดอระยะเวลา 4,800 ปีจากนั้นโลกจะเริ่มต้นวัตจักใหม่ในปีคริสต์ศักราช 12,500 มนมนุษย์จะค่อยๆจมจมลงสู่อวิชาคือสูงสุดก็ค่อยๆ เสื่อมลงเป็นวัตจักที่ถูกครอบงำด้วยมายาอันเป็นนิรันกาสิ่งที่อาจารย์อธิบายให้ความกระจ่างไม่ได้มีเพียงวิชาโหราศาส์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเนื้อความในพระคัมภีร์ หลายตอนหลายฉบับในโลกนะคะคือท่านอาจารย์สียุคเตส่วนเนี่ยท่านเป็นปราช ด, ด้วยท่านสามารถที่จะอธิบายแยกแยะวิเคราะห์เนื้อหาในคัมภีร์ต่างๆได้อย่างแยบยนต์อาจารย์ยังสามารถอธิบายความในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสตศาสนาได้อย่างจำแจ้งและงดงาม ทันโยคานันทะซึ่งตอนนั้นคือมูกุนทะลูกศิษย์ของท่านเนี่ยนะคะก็เคยบอกว่ากระผมไม่เข้าใจเรื่องของอดัมกับอีฟเลยมีการหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาถกกันอย่างขึงขังจริงจังในวันหนึ่งทำไมพระเจ้าจึงไม่ลงโทษแค่พวกเขาสองคนในเมื่อพวกเขาต่างหากที่เป็นคนทำผิดทำไมลูกหลานที่ยังไม่ได้เกิดเลยด้วยซ้า ถึงต้องมาพลอยฟ้าพลอยฝนถูกลงโทษไปด้วยละครับแทนที่จะขบขันอาจารย์กลับเห็นทีท่าเป็นเดือดเป็นแค้นของมุกุลทะหน้าหัวร่อแล้วก็อธิบายว่าพระธรรมในปฐมกาลนั้นเต็มไปด้วยสั ญ, ญลักษณ์อันลึกซึ้งและไม่อาจจะเข้าใจได้ด้วยการตีความตามตัวอักษรต้นไม้แห่งชีวิต ที่มีกล่าวไว้ก็คือร่างกายของมนุษย์เราลำกระดูกสันหลังก็เปรียบได้กับต้นไม้กลับหัวมีผมเผผาเป็นรากมีเส้นประสาทรับส่งความรู้สึกต่างๆเป็นกิ่งก้านสาขาต้นไม้อันประกอบขึ้นจากระบบประสาทเช่นนี้ย่อมมีผลเลิอดรถดกดด่นเปรียบไปก็ได้แก่ภาษาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลิ่นเสียงสัมผัส มนุษย์อาจปล่อยใจให้หลงเพลินไปกับสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่เป็นความผิดแต่อย่างได้แต่การมีเพศสัมพันธ์นั้นเป็นสิ่งต้องห้ามซึ่งในพระคมพีได้แสดงไว้ในรูปของผลแอปเปิ้ลที่กึ่งกลางกายคือกลางสวนอสระพิษคือพลังงานในกระดูกสันหลังที่ขดซ้อนกันเป็นวงและเป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ อาดำคือเหตุผลอีฟคือความรู้สึกเมื่ออารมณ์หรือวิญญาณของอีฟในตัวมนุษย์ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสัญชัตยานทางเพศสำนึกในเหตุผลหรืออาดำก็จะพลอยถูกครอบงำไปด้วยพระเจ้าทรงสร้างเ ผ, าผ่าพันมนุษย์โดยรังสรรค์ร่างกายของชายหญิงขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งพระประสงค์ทรงประทานอานาจในการให้กาเนิดบุตร โดวยวิธีการอันไร้มนทินในวิถีทางเดียวกับเบื้องบนให้แก่เผ่าพันธุ์ใหม่นี้ก่อนหน้านั้นการสําแดงพระองค์ในวิญญาณแต่ละดวงล้วนเป็นพวกสิงสาราสัตว์ที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของสัญชาตยานไรซึ่งศักยภาพในการใช้เหตุผลทั้งสิ้นทั้งปวงพระเจ้าจึงทรงสร้างร่างของมนุษย์คู่แรกขึ้น แล้วเรียกชื่อเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าอดัมกับอีฟเพื่อให้วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นแก่ทั้งคู่เป็นไปในทางที่เป็นคุณและสูงส่งขึ้นพระองค์จึงทรงถ่ายโอนวิญญาณหรือแกนหลักอันศักดิ์สิทธิ์ของสัตว์สองตัวให้ในอดัมหรือบุรุษเพศจะมีเหตุผลเป็นใหญ่ส่วนในอีฟหรือสตรีเพศจะมีอารมณ์เป็นเจ้าเรือง แสดงให้เห็นถึงทวิภาวะหรือขั้วตรงข้ามที่คอยค้ำจุนโลกแห่งปรากฏการณ์เอาไว้เหตุผลกับอารมณ์ย่อมดำรงอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขได้ตราบเท่าที่จิตของมนุษย์ยังไม่ถูกพลังขับดันทางเพศตามสัญชตาตญาณของสัตว์โลกมาล่อหลวงด้วยเหตุนี้ร่างกายของมนุษย์ จึงไม่ได้เป็นแค่ผลพวงจากวิวัฒนาการของสัตว์แต่เป็นผลงานที่พระเจ้าบัญจงสร้างขึ้นมาเป็นพิเศษร่างกายของสัตว์นั้นหยาบเกินกว่าที่จะรองรับการสำแดงทิพยอําอำนาจได้โดยสมบูรณ์แต่มนุษย์นั้นต่างไปเพราะไม่เพียงแต่จะมีจักระสหัสสราระดอกบัวพันเกสรซึ่งอยู่ในสมอง เป็นช่องทางเปิดไปสู่การอย่างรู้สัจธรรมอันสูงสุดตามแนวเส้นสันหลังยังมีจักระอื่นๆแฝงเร้นอยู่อีกหลายจักระซึ่งทามนุษย์สามารถปลุกจักระเหล่านี้ให้ตื่นขึ้นมาได้ก็จะทรงไว้ซึ่งศักยภาพอันเฉียบคมยิ่งพระเจ้าหรือวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สำแดงองค์อยู่ภายในตัวของมนุษย์คู่แรกที่ทรงสร้างขึ้นทรงแนะให้พวกเขาหาความสุข จากประสาทสัมผัสทั้งหมดที่มียกเว้นประการเดียวคือความสุขจากกา ร, ารมรลมสึ่งทรงห้ามเอาไว้เพื่อมีให้มนุษย์เอาตัวไปหลงติดอยู่กับวิธีอันต่ำร้งในการสืบเผ่าพงพัน์เยี่ยงเดรชานแต่คำเตือนไม่ให้ปลุกเร้าความทรงจำตามวิสัยสัตว์ในจิตใต้สำนึกให้ฟื้นตื่น กลับไม่ได้รับการใส่ใจจำเมื่อคนทั้งคู่หันมาสมสู่กันเพื่อสืบลูกหลานอนดัมกับอีฟจึงตกจากทิพยะสภาวะอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ผู้สมบูรณ์เพราะมาแต่เดิมเมื่อพวกเขารู้ว่าตนเองเปอยกาอยู่จิตสำนึกแห่งความเป็นผู้ไม่ตายก็สูญสลายไปเช่นที่พระเป็นเจ้าทรงเตือนเอาไว้ ทั้งสองทำให้ตนเองต้องมาตกอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติที่ว่าเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายความรู้เรื่องความดีและความชั่วที่งูสัญญาว่า if จะได้รับมาก็คือประสบการณ์ในลักษณะของทวิภาวะและสิ่งตรงข้ามกันเป็นสองคั้วที่มนุษย์ผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมายาจะต้องประสบพบเจอ การจอมจมลงสู่ห่วงแห่งมายาเพราะใช้อารมณ์และเหตุผลหรือใช้จิตสำนึกของความเป็นอีฟและอาดัมในทางที่ผิดก็เท่ากับว่ามนุษย์ได้สละสิทธิ์ที่จะได้เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์อันเป็นทิพย์และสมบูรณ์พร้อมในทุกประการมนุษย์แต่ละคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องกอบกู้พ่อแม่หรือธรรมชาติแห่งทวิภาวะของตนให้กลับคืนไปสู่เอกภาพ ความกลมกลืนหรือสวนอีเดนอีกครั้งให้จงได้นี่เป็นคำอธิบายของอาจารย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์คู่แรกนะคะอาดัมกับฟิฟที่มีการกล่าวไว้ในศาสนาคริสต์นะคะท่านก็บอกว่ามันเป็นเชิงสั ญ, ญลักษณ์มูกุลท้าได้ฟังก็เหลือบมองพระคำพีหมวด พระธรรมปฐมกาลด้วยความนับถืออย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนว่าจะเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งขนาดนี้อาจารย์ขอรับนี่เป็นครั้งแรกที่กระผมรู้สึกถึงพันธะหน้าที่ที่มีต่ออดัมกับอีฟในฐานะที่เป็นลูกหลานคนหนึ่ง มีเชิงอัดอธิบายนะคะว่าตำนานอาดัมกับอีฟของทางฮินดูมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปุราณะอันเก่าแก่ชื่อคัมภีร์สีมัทถะภวภคะ ว, ะะะวะตาบุรุษสตรีคู่แรกสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายมีเลือดมีเนื้อจริงๆบุรุษมีนามว่าสวะยัมภู สวะยัมภูวะมะนูนะคะแปลว่ามนุษย์ผู้กําเนิดจากพระผู้สร้างส่วนสตรีมีนามว่าสัตต ร, รูปแปลว่าร้อยรูปทั้งคู่มีบุตรีห้านางซึ่งล้วนแล้วแต่วิวากับพระประชาบดีซึ่งหมายถึงเทพผู้สามารถเนรมิตตนให้มีกายเนื้อได้ และจากครอบครัวเทพครอบครัวแรกนี้นะคะมนุษย์จิงได้ถือกำเนิดขึ้นท่านโยคานันทาบอกว่าไม่ว่าในโลกตะวันออกหรือโลกตะวันตกท่านไม่เคยได้ยินใครอธิบายความในพระคัมภีร์ของทางคริสตศาสนาด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงจิตวิญญาณเหมือนกับท่านครุียุกเตสวนเลย คือเคยได้ยินเรื่องแต่ว่าคาอธิบายที่ลึกซึ้งแบบนี้นี่ไม่เคยได้ยินจากใครท่านอธิบายตีความได้อย่างลึกซึ้งมากอย่างที่บอกว่าท่านเป็นปาฏนะคะแล้วก็เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่สามารถที่จะอธิบายเรื่องยา ก, ยากให้กระจาง แล้วก็เข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้งงดงามและท่านก็ไม่เพียงแต่สามารถอธิบาย เ, าเรื่องในศาสนาฮินดูเท่านั้นนะคะแม้กระทั่งในศาสนาคริสต์ท่านก็สามารถที่จะอธิบายได้อย่างแจ่มกระจ่างเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่เป็นสัจจะความจริง สุดท้ายแล้วก็เหมือนกันเป็นเรื่องเดียวกันในบทนี้ก็อาจจะมีมีทฤษฎีมีข้อมูลเยอะหน่อยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันไม่ได้อ่านทั้งหมดเพราะว่าจะมีเนื้อหาที่เป็น เ, เรื่องราวในพระคัมภีร์ แล้วก็มีศับยากๆ อ, อยู่หลายคำค่ะก็พยายามสรุปแล้วก็ดึงเอาเฉพาะบางตอนมาถ่ายทอดที่คุณได้ฟังเป็นสื่อเสียงซึ่งถ้าเกิดว่าคุณฟังท่านไหนที่สนใจนะคะใครที่สนใจในเรื่องของปรัชญาหลักศาสนาเรื่องของการตีความโหราศาสตร์เรื่องของมนุษย์คู่แรกของโลกเรื่องของอาดัมกับอีฟเรื่องในแนวนี้นี่ หนังสือเล่มนี้อาจจะให้คำตอบที่คุณค้นหาก็ได้นะคะสนุกมากค่ะอันนี้เหมาะที่จะอ่านโดยความสนใจส่วนตัวนะคะใครสนใจก็ลองไปถามหาตามร้านหนังสือใหญ่ๆดูได้ค่ะชื่อหนังสืออัตชีวประวัติของโยคีเขียนโดยท่านปรมหังษาโยคานันทะเล่มใหญ่ทีเดียวนะคะ ในตอนหน้าค่ะจะมีเรื่องของสะสีกับไพลิน3เม็ดเรื่องนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันเรื่องของสสีกับไพลิน3เม็ดจะนำเราไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ ติดตามได้ตอนหน้านะคะและนี่ก็คือห้องสมุดหลังไม่วิทยุไทย PBS กับการตามติดชีวิตโยคีที่เขียนโดยโยคีจริงๆนะคะท่านปรมาหังสาโยคานันทะ พบกันใหม่ตอนหน้านะคะที่นี่วิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com ชีวิตยโยคีตอนที่15แล้วก็พบกันตอนหน้านะคะตอนที่16กับเรื่องของสะสีกับไพลิน3เม็ดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh.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 หใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน